วันสองวันนี้นะก็มีเสียงเพลงดังกระหึ่มนะตองคืนนะแล้วก็ตอนเช้าตรู่หลายคนก็รู้สึกหงุดหงิดลำคาญแต่ก็มีหลายคนนะนะที่เขาพอใจเรียก <c oughs> ว่ามีความสุขก็ได้เสียงเดียวกันได้ยินเหมือนกันแต่บางคนหงุดหงิขดขณะที่บางคนอ่พอใจอันนี้เป็นเพราะอะไรนะ ก็เพราะมีความชอบเนี่พอชอบได้ยินเสียงเพลงก็มีความสุขแต่ถ้าไม่ชอบนะได้ยินเสียงเพลงก็มีความหงุดหงิดอันจะว่าไปแล้วเนี่ยเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่ชอบนะได้ยินเสียงเพลงมันก็หงุดหงิดลาคานนะ แล้วก็มีการผักใสซึ่งยิ่งก็ทำให้หงุดมีแค่ไปใหญ่เพราะผักใสอย่างไงเสียงก็ยังดังกระทบหูอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นแบบฝึกขันนะแบบฝึกขันในการดูจิตสังเกตใจของเรานะว่าไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรแน่นะจากเสียงที่มากระทบหรือว่าจากความรู้สึกในใจของเราเ อันนี้ก็ถือว่าเสียงนี้เข้ามาเป็นแบบฝึกหัดให้เรามาเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่นะคือนอกจากรู้ทุกเห็นทุกแล้วก็ยังเข้าใจว่าอะไรคือสมุทัยด้วยสมุทัยไม่ได้อยู่ข้างนอกนะแต่ว่ามันอยู่ข้างในใจเราเนี่ยครวนี้เนี่ยให้เราสังเกตนะพอเสียงดนตรีมันหายไปเนี่ยนะ ความสงบมันมาแทนที่หลายคนรู้สึกพอใจขึ้นมาทันทีเลยพอใจที่ความสงบนะหรือความเงียบกลับคืนมาตอนที่ไม่มีเสียงเพลงนะไม่มีเสียงดังอย่างเนี้ยหลายคนก็ไม่รู้สึกนะว่าความสงบความเงียบนี่มันมีคุณค่าได้สังเกต น, นะพอมีเสียงเพลงแบบนี้เนี่ยนะหรือเสียงดังเนี้ย เราจะเห็นคุนค่าของความเงียบความสงบทันทีเลยทำใเราถึงรู้สึกพอใจนะเวลาเสียงเพลงมันดับหายไปเ อ, อาง่งนี้เนี่ยเสียงเพลงกมมีประโยชน์นะหรือเสียงดังมีประโยชน์มันทำให้เราเห็นคุณค่างของความเงียบเห็นคุณค่างความสงบถ้าไม่มีเสียงที่ว่านี่ เราคงไม่เห็นคุณค่าของความเงียบความสงบเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะความดังหรือว่าไอ้ตลนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเช่นเดียวกันนะความเจ็บป่วยเนี่ยนะหลายคนไม่ชอบนะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราจะได้คือ เห็นคุณค่าของการที่ไม่เจ็บป่วยเห็นคุณค่างการมีสุขภาพดีเราจะรู้สึกขึ้นมาจริงๆเลยนะว่าการมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มันเป็นโชคเลยนะปกติเนี่ยเวลาเราไม่เจ็บไม่ป่วยเราก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเรามีโชคเท่าไหร่ไม่รู้สึกได้ซ้ำว่าเนี่ยคือความสุขแต่พอเจ็บป่วยแล้วขึ้นมานี่ยแล้วมันหายนะโอ้ย รู้สึกดีนะกับความปกติเราก็เรียกว่าเรียกว่าความปกติสุขไม่ต้องป่วยหนักเลยนะแค่เป็นหวัดปวดท้องปวดหัวแล้วพอมันหายไปนี่เราจะเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีขึ้นมานทันทีคนเราเนี่ยมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวนะ หรือมีสิ่งดีๆอยู่กับตัวแต่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรือไม่ได้สังเกตเท่าไหร่ถ้าเราหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เรามีเนี่ยเราจะมีความสุขง่ายนะ mm hmm. เช่นแค่ได้กินอิ่มนอนอุ่นนะ้วก็มีความสุขแล้วแต่หลายคนเนี่ยจะเห็นคุณค่าของความ การที่ได้กินอิ่มนอนอุ่นก็ต่อเมื่อหิวโหยเจอความหิวโหยหรือว่านอนลําบากนอนยากนะไม่มีที่หลับที่นอนตอนนั้นแหละนะถึงจะไม่เห็นเลยนะโอ้ยในการที่เรากินอิ่มนอนอุ่นนี่มันพิเศษเหลือเกินเช่นเดียวกันนะ หลายคนไม่เห็นคุณค่าของการที่เราหายใจได้ปกติแล้วก็หายใจได้ปกติแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วจะไปซาบซึ้งอะไรนะแต่เราจะต้องรอให้หายใจติดขัดก่อนเลยหรือหายใจเหนือห่อนก่อนเลยถึงจะมาเห็นคุณค่าของการที่เราหายใจเป็นปกติคนที่ติดโควิดนะแล้วก็ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหลายคนเนี่ย ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยนะว่าการที่เรามีลมหายใจที่ปกติเนี่ยมันเป็นโชคมันเป็นสิ่งพิเศษแล้วพอเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดหายใจติดขัดเนี่ยบางทีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยถึงค่อยมารู้ว่าไอ้ยามที่เราไม่เจ็บไม่ปว่วยยามที่เราหายใจปกตินี่มันพิเศษแล้วล่ะเป็นโชคแล้วล่ะมันดีกว่าไปเที่ยวห้างดีกว่าถูกรัตตรีสิกนะ ไม่บอกไปเรื่อยๆนะนะก็จะให้เลยนหะน้าการที่เรายังมีตามองเห็นมีหูได้ยินนะไม่บอดไม่หูหนวกยังมีแขนขาเป็นปกติเดินเหยไปไหนมาไหนได้บางทียังวิ่งได้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นโชคนะอันนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่คนจน น, น้อยเนี่ยจะเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ก็ต่อเมื่อตาเริ่ม จะฝ้าฟางหรือตาบอดหูก็เริ่มตึงหรือหูหนวกนะหรือว่าแขนขาเริ่มงอเป็นงอเป็นงอเปลี่ยหรือว่าอ่อนแรงเดินไม่ได้เพราะเดินแล้วปวดปวดขาปวดหลังหรือบางคนเนี่ยถึงกับเป็นอัมพึกษ์อัมาพาตนะถึงตอนนั้นค่อยมาได้คิดว่าโอ้ยตอนที่เรา เดินเฮินไปไหนมาไหนได้นี่มันเป็นความสุขนะฮะเป็นโชคันประเสริฐมากเลยเ <c oughs> นีนจะว่าไปแล้วนี่ไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เรามองข้ามไปถ้าเรามีคนรักอยู่รอบข้างนะจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนรักนะคู่ครองลูกหลาน แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะเพราะวันใดที่เขาจากไปนี่เราจะทุกข์มากเลยแต่เราจะรอให้เขาจากไปก่อนหรื อ, อยังไงนะถึงจะมาเห็นคุณค่าของการที่มีเขาอยู่รอบตัวเราหรือได้ตระหนักว่าเราเนี่ยมีโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เรามี ชื่นชมการมีสุขภาพดีนะการไม่เจ็บไม่ป่วยการมีตามองเห็นนะหัวไม่หนวแขนขายังเดินเหินไปไหนมาไหนได้หยิบจับอะไรได้สะดวกแต่ถ้าเกิดว่ายังมองไม่เห็นนะยังไม่หนักถึงตรงนี้บางทีความเจ็บป่วยความสูญเสียนะ่แหละที่มันจะทำให้เราเอนคุณค่าแต่เราจะรอให้มันเกิดขึ้นก่อนหรือไงนะนั่นคที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็หันมา มองสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาก็อย่าคิดแต่ว่าเรายังไม่มีนั่นไม่มีนี่ให้คิดว่าให้มองเห็นว่าเรายังมีสิ่งดีๆตั้งหลายอย่างแค่นี้ก็มากพอที่ทำให้เรานะมีความสุขนะแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข